น้ำตานักสู้โดยปกติธรรมดาท่านจะใช้เวลาในการนั่งสมาธิครั้งละประมาณสาสี่ชั่วโมงตอนกลางวันพอฉันจังหันเสร็จล้างบาท เช็ดบาทเรียบร้อยแล้วเอาบาทไปวางที่ร้านแล้วเข้าทางจงกรมเลยโดยเดินจงกรมไปตลอดจนถึงเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเป็นอย่างน้อยหรือเที่ยงวันแล้วจึงพักออกจากพักแล้วก็นั่งภาวนาอีกราวชั่วโมงแล้วก็ลงเดินจงกรมอีกท่านทําอย่างนั้น อยู่เป็นกิจวัตรประจําเมื่ออยู่กับท่านอาจารย์มั่นพอสมควรท่านอยากจะทดลองทำความเพียรโดยลำพังอย่างเต็มที่ดูบ้างเผื่อว่าจะเกิดผลดีแต่เมื่อออกวิเวกจริงๆแล้วความเพียร กลับไม่ค่อยเป็นผลเลยต้องล้มลุกคลุกคลานอย่างหนักจนหลายครั้งทำให้ท่านรู้สึกท้ออกท้อใจแต่ด้วยใจที่สู้ไม่ถอยท่านก็สามารถผ่านไปได้ดังนี้เข้าไปอยู่ในป่าในเขาตั้งใจจะไปฟัดกับกิเลสเอาให้เต็มเหนียวแล้วนะคราวนี้ หลีกจากครูบาอาจารย์ออกไปเข้าไปอยู่ในภูเขาปามันสงบสงัดป่าไม่มีเรื่องอะไรแต่หัวใจมันสร้างเรื่องขึ้นมาละสิวุ่นอยู่กับเจ้าของคนเดียวเป็นบ้าอยู่คนเดียวโอ้ยอย่างนี้จะอยู่คนเดียวได้ยังไงนี่หนีจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสู้มันไม่ได้จนน้ำตาร่วงไม่ได้ลืมนะน้ำตาร่วงโอ้โหสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับล้มพลอยล้มพลอยตั้งเพื่อลม้มไม่ใช่ตั้งเพื่ออยู่ตั้งต่อหน้าต่อตานี่มันล้มต่อหน้าต่อตาให้เห็นปัดทีเดียวตกห้าทวีปโนนสมมุติว่า เราต่อยเข้าไปนี้มันปัดแขนเรานี้ตกห้าทวีดอำนาจแห่งความรุนแรงของกิเลสมันแรงขนาดนั้นนะอยู่ในหัวใจนี่ลงออกถึงกูถึงมึงทีเดียวซัดกับกิเลสนี่ฟังสิว่ากูมึงกูมึงในใจไม่ใช่กูมึงออกมาข้างนอกมึงยังไง มึงต้องพังวันหนึ่งกูจะเอาให้มึงพังแน่ๆมึงเอากูขนาดนี้เชียวนะยังไงกูได้ที่แล้วกูจะเอามึงเหมือนกันยังไงมึงต้องพังมึงไม่พังวันหนึ่งมึงต้องพังวันหนึ่งมึงไม่พังกูต้องพังต้องตายกัน มาก็เอากันแหละซัดกันไม่ถอยต้องตายกันต่างคนต่างสู้กันไม่มีถอยกันเอากิเลสกับเราเป็นคู่ต่อสู้กันนี้จนกระทั่งถึงวันตายไม่ให้เป็นเอาให้ตายด้วยกันกิเลสไม่ตายก็เราตายเท่านั้นเหตุการณ์ในตอนนั้น ท่านเคยยกเอามาสอนพระว่าตอนที่กองทัพกิเลสมีกําลังมากกว่านั้นยังไม่สมควรที่จะอยู่คนเดียวต้องเข้าหาครูบาอาจารย์เพราะการอยู่กับครูบาอาจารย์แม้จะยังไม่ก้าวหน้าอะไรแต่ก็เป็นที่อบอุ่นใจได้